กตตะกัลยาโนบุคคลผู้มีความสำนึกถึงผู้มีคุณ เพราะขาดธรรมสำคัญกตัญญูไม่มีผู้คบ เรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของพระอริยะ มีพี่น้อง 5 คนตัวท่านเป็นคนสุดท้องเมื่อตอนเด็กเด็กชายอินแก้วเป็นเด็กที่มีความสุภาพ คันอายุได้ 16 ปีก็ขอโยมพ่อโยมแม่บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดป่าแงะ ท่านบวชเม 24 เมษายน 2469 ที่วัดสันต้นดูตำบล ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาโดย ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยสิริวิชโยนักบุญผู้ยิ่ง 10 ปี เรียกได้ว่าเป็นศิษย์ที่ได้ร่ำเรียน 8 ปีเต็มๆกระทั่งถึงคราวที่พระอาจารย์ครูบาสีบิชัยไปชำระอธิกรณ์ที่ ได้นําคณะญาติโยมชาวบ้านพากันมาความเจริญทั้งทางธรรมความมั่นคงในเสนานสนะ ท่านก็เปรียบเสมือนพระผู้เป็นที่พึ่งแก่ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆ อาทิเชนในดวงเดชคิดการงานอยู่ตลาดขวัญอำเภอดอยสะเก็ด โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้าน 8 ทิศแล้วหลวงปู่ พอ 7:00 น. ก็ออกมารับพระตะหาญที่ญาติโยม เวลา 9:00 น. ท่านก็จะเจรสวดมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ 10:00 เวลา 14:00 น. เสร็จๆท่านจะสอนหนังสือเป็นอักษรล้านนาโบราณจากธรรมใบล้านสมุทรคอยแก่พระเนนแล้วก็ศิษย์ 7:30 30 ก็ 18 น้ําโดยที่ศิษย์วัดหรือสามเณร 3 รอบ 19:00 น. ทําวัดเย็น 20:30 น. น. หลังจากทําวัดเสร็จหลวงปู่ก็จะสนทนาธรรม กลับมาที่กุฏินั่งสมาธิภาวนาเหมือนกับตอนที่ 23:30 น. หรือ 5:00 น. นท่านถึงจะจำวัดในดวง หลวงปู่ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าธารไฟมันอยู่ เพื่อจุดบูชาพระด้วยตัวท่านเองจุดบูชาพระด้วยตัวท่านเองท่านจะ 5 จะได้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นเศรษฐี ในดวง 93 94 แล้วแต่สายตาท่านๆท่านก็อ่านได้หลวงปู่ ก็ยิ่งเป็นเหตุญาติโยมที่ซื้อรถใหม่ กูยังแม้นอยู่กูไม่ทําจนครั้งสุด 90 กว่าแล้วเป็นการไม่สะดวกแก่ท่านเองและญาติโยมที่มาหาหลวงปู่ถึงยอม ตั้งแต่นั้นมาคนก็รู้จักหลวงปู่มากขึ้นก็มากันมากขึ้นหลวงปู่ หลวงปู่ไม่ยอมรับพาหนะรถยนต์ที่โยมนำมาถวายด้วยท่านคิดว่าเกรงจะแผ่บุญบารมีแก่เจ้าของรถได้ไม่เพียงพอเพราะท่านไม่ใช่ผู้วิเศษมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือหลวงปู่ไปรับกิจนิมนต์ที่วัดศรีโซดาอำเภอเบืองจังหวัดเชียงใหม่เวลานั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนักพระเนนที่มาร่วมงานนั้นต่างพากันเข้าที่กำบังหลวงปู่ก็เดินเข้าที่กำบังเหมือนกัน โยมที่ประคองหลวงปู่เปียกฝนแต่ตัวหลวงปู่กลับไม่เปียกเลย หลวงปู่บอกเขาว่าก็มีในองค์ข้างนอกนั่นไงเค้าก็บอกว่า พระตัวกูมันเหม็นจะเป็นบาปกรรมแก่กูหลวงปู่พูดอย่างนี้เรื่องบอกเล่าจาก แล้วสิ่งที่ลูกศิษย์ญาติ 28 มีนาคม 2541 สิริ 94 ปีบวชอยู่ 72 แต่ผลงาน